สามร้อยหกสิบสองสุสิมะสาวกชื่อสุสิมะเรื่องนี้เป็นเรื่องของการที่ทรงอธิบายว่าการรู้ปฏิจจสมุปบาทนั้นเนี่ยไม่ต้องรู้อภิญยาธรรมเลยก็ได้ ครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่เวลุวันอันเป็นที่ให้เหยื่อแก่กระแตครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์มีประชาชนกรบนับถือบูชาสมบูรณ์ด้วยจีวรบินบาตเสนาสนะและกีฬานัเพสส์ส่วนพวกปริพาชก์ผู้เป็นอัญญเดรถีอื่นไม่มีประชาชนกรบนับถือบูชาปริพากผู้หนึ่งชื่อสุสีมะ ได้รับคำแนะนำจากสิทธิ์ให้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเพื่อเรียนธรรมมาสอนประชาชนโดยหวังจะให้พวกตนมีประชาชนเคารพนับถือและสมบูรณ์ด้วยลาบส ก, การะบ้างสุสีมะปริภาชกนั้นจึงเข้าไปขอบวชกับพระอนนท์พระอนนท์ได้พาไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับสั่งให้บวชแล้วสมัยนั้นภิกษุ จำนวนมากพากาันพยากรอรหันตผลในสำนักพระพุทธเจ้าพรสุสีมาได้ยินข่าวจึงเข้าไปถามพวกพิสุเหล่านั้นถึงเรื่องการพยากรความเป็นพระอรหันต์เมื่อพิสุเหล่านั้นรับแล้วจึงได้ถามพิสุเหล่านั้นต่อไปถึงการบรรลุอภิญญาต่างๆคืออิทธิวิธีที่พยาโสตโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณที่พยาจักขุ และอรูปวิโมกพิสุรานั้นกล่าวว่าไม่ต้องบรรลุอภิญญาเหล่านี้ด้วยก็บรรลุความเป็นพระอรหันต์ได้ด้วยปัญญาวิมุตติพระสุสิมะจึงไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทูลเล่าเรื่องของตนที่สนทนากับพิสุทั้งหลายให้ทรงสดับ <c oughs> พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสว่าสุสิมะ ธรมมัติทิติยานเป็นสิ่งที่เกิดก่อนยานในนิพพานเป็นสิ่งที่เกิดภายหลังธรรมมติทิติยานแปลว่าความรู้ในปฏิจจสมุปบาทจะเกิดก่อนส่วนยานในนิพพานคือความรู้ในนิพพานนั้นเกิดภายหลังความรู้ในปฏิจจสมุปบาทก็คือความรู้ในส่วนที่ เป็นลำดับขึ้นของการเป็นลำเป็นลดับการเกิดขึ้นของธรรมชาติทั้งหลายที่เป็นสายปฏิจจสมบัติในสายเกิดและสายดับเพราะเมื่อเห็นสายปฏิจจสมบัติ จนเห็นว่าธรรมชาติทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราของเราความรู้ในนิพพานจึงเกิดขึ้นนะพระองค์จึงบอกทำ ม, มัตติธิญาเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดก่อนญาณในนิพพานเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดภายหลังนะรัสสุสิมะก็เลยบอกว่าข้าพระองค์ยังไม่รู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งภาสนะิท์นะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสโดยย่อนีนะ้ก็เลยขอให้ผู้เจ้าเนี่ยขยายความผู้เจ้าก็เลยบอกว่าดูก่อนสุสิมะ เธอจะรู้ทั่วถึงหรือไม่ก็ตามธรรมมัทธิทยานก็ยังเป็นสิ่งที่เกิดก่อนยานในนิพพานเป็นสิ่งที่เกิดภายหลังอยู่นั่นเองดูก่อนสุสีมะเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงผู้เจ้าก็เริ่มไล่นะความเป็นอนิจจังทุกขังนัตตาสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือที่จะเห็นว่านั่นเป็นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราอันนี้ผู้เจ้าก็พูดเรื่องของความไม่เที่ยงแล้วก็เป็นทุกข์แล้วก็ตัดโยนมาที่เนตังมะมะเนโซมาส ม, สมินะเมโซอัตตาเลยเพราะฉะนั้นตัวอ น, นิจจังทุกขังนัตตาเนี่ยไม่ใช่ว่าผู้เจ้าจะต้องพูดครบเท่านั้นพูดอ น, นิจจังแล้วกระโดดมา ตัวเนตังมะมะเลยก็ได้นะหรือว่าพูดสองอันแล้วกระโดดมาเลยหรือพูดอนัตตาตัวเดียวแล้วกระโดดขึ้นมาก็ได้หรือพูดถึงตัวเนตังมะมะเลยก็ได้นะคือปัญญาขั้นสุดท้ายเนี่ยจะต้องเห็นว่ามันกับเราเนี่ยไม่ใช่ตัวเดียวกันขัน5ไม่ใช่เราเราไม่ใช่ขัน5้ขัน5คืออะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปกายร่างกายเราเนี่ยเวทนาคือสุขทุกขเบคะ สัญญาคือความจำได้ไหมายรู้สังขารคือความพิดปวงแต่งวิญ ญ, ญาณคือความรู้แจ้งสิ่งที่เรามีอยู่ทั้งหมด ท, children children ที่เป็นกายเป็นจิตอารมณ์ของเราเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราของเราแต่บอกว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราเรามองไม่ออกก็ต้องลดระดับลงมาว่ารู้จักว่ามันเป็นอนัตตาไหมมันไม่ใช่ตัวตนจริงไม่รู้จักไม่รู้จักลดระดับลงมารู้จักมันแตกสลายไหมรู้จักหรือทาไมรู้จักอีกลด ร, ระดับลงมาอีกรู้จักมันเสื่อมไหม มีร่างกายใครไม่เสื่อมบ้างนี่ก็ต้องค่อยๆเริ่มเห็นจากสิ่งนั้นมีความเสื่อมสิ่งใดเสื่อมได้ต้องดับได้แน่นอนก้อนหินถูกน้ำหยดไปทุกวันทุกวันทุกวั น, ก, วนก็ละลายหมดไปได้เหมือนกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เสื่อมไปได้กลอนไปได้แม้เล็กน้อยก็ตามสักวันหนึ่งมันก็ต้องหมดไปได้นะ เมื่อหมดไปได้แสดงว่าธรรมชาตินั้นนะ่ะมันเป็นของมีชั่วคราวตัวตนของมันเนี่ยมีชั่วคราวเรียกว่าอนัตตามันเป็นของเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปก้อนน้ำแข็งเล็กๆ ก, ก, ก็หายไปเร็วหน่อยนะมนุษย์ก็นานหน่อยก้อนหินก็นานขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะก็แล้วแต่แต่เกิดมาแล้ว ธรรมชาติใดที่เกิดมาแล้วแตกสลายและดับไปแน่นอนนั่นคือตัวตนของมันเนี่ยมีชั่วคราวเพราะฉะนั้นทุกสิ่งในโลกภูเขาต้นไม้คนสัตว์สิ่งของต่างๆแม้แต่นามธรรมาก็เป็นของชั่วคราวหมดสุเกิดมาก็หายไปทุกเกิดมาก็หายไปคิดเรื่องอดีต มาก็หายไปคิดอนาคตมาก็หายไปทุกอย่างเกิดดับหมดเพราะฉะนั้นทุกอย่างมีขึ้นมาแล้วจะหายไปมีขึ้นมาอีกแล้วหายไปอย่างนี้ <c oughs> นี่คือสัจจกความจริงของโลกนี่แหละคือตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือตัวเลยสัตติที่เรียกว่ามีสมุทัยและมีนิโรธ พู้เจ้าก็เลยถามสุสีมะอย่างนี้ให้สุสีมะเนี่ยเข้าใจความเป็นอนิจจังทุกขังนัตตาแล้วท่านก็อธิบายถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหมดเนี่ยว่ามันเป็นอนิจจังเป็นทุกขังแล้วก็ไม่ควรเห็นว่าเป็นตัวเราของเรา <c oughs> แล้วพระองค์ก็ไล่สายปฏิจจสมบัตกับสุสีมะ บอกสุสมะอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมใครกำหนัดคือคลายความพอใจนั่นเองเมื่อคลายความพอใจย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเมื่อเราคลายความพอใจเราก็จะหลุดพ้นหลุดพ้นก็คือไม่ ย, ยึดนั่นเองไม่ ย, ยึดว่าธรรมชาตินั้นตัวขันห้าเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวเราของเรา อริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพระหมจารย์อันเราอยู่จบแล้วกิจที่ควรทาได้ทําสําเร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกดังนี้ดูก่อนสุสิมะเมื่อเธอเห็นว่าเพราะมีชาติเป็นเหตุหรือเพราะมีชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะดังนี้ใช่ไหมอย่างนั้นพระเจ้าข้า <c oughs> เพราะมีการเกิดเป็นเหตุ แก่ตายจึงมีก็เหมือนกับว่าแก้วใบนี้มันแตกเพราะอะไรแตกเพราะว่ามันเป็นแก้วขึ้นมากระถนพังพ่อะไรเพราะว่ากระถนมันมีการเกิดขึ้นมาพัดลมพังพ่อะไรเพราะว่ามันมีการสร้างเป็นตัวตนปรากฏขึ้นมาคนตายพ่อะไรายตายเพราะว่ามีการเกิดน้ำแข็งละลายเพราะอะไรเพราะมันมีการจับตัวเป็นก้อนมีการเกิดเป็นก้อนมาก่อน เมื่อเกิดแล้วก็ละลายหายไปทุกอย่างที่มีการเกิดจะมีการแตกสลายทั้งสิ้นพูุทธเจ้าจึงบอกว่าเพราะมีชาติคือการเกิดเป็นปัจจัยปัจจัยแปลว่าเหตุเพราะมีชาติคือการเกิดเป็นเหตุจึงมีชรามรณะแก่และตายนะอย่างนี้แล้วท่านก็ถามต่อไปว่า เพราะมีพบเป็นเหตุจึงมีชาติดังนี้ใช่ไหมนะสุสีมาก็ตอบว่าใช่นะแล้วก็ไล่สายปฏิจจะไปทั้งหมดแล้วจึงถามสุสีมะต่อว่าดูก่อนสุสีมะเมื่อเธอรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมบรรลุอิทธิวิธีมีประการต่างๆเหล่านี้บ้างหรือนะคือผู้เดียวแปลงรูปเป็นหลายคนหลายคนเป็นคนเดียวทาที่กำบังให้เป็นที่แจ้ง ทำที่แจ้งให้เป็นที่กำบังไปได้ไม่ขัดข้องผ่านทะลุฝาทะลุกำแพงทะลุภูเขาดุดไปในอากาศว่างๆผุดขึ้นและดำลงในแผ่นดินได้เหมือนในน้ำเดินเดินได้เหนือน้ําเหมือนเดินบนแผ่นดินไปได้ในอากาศเหมือนนกมีปีกทั้งที่ยังนั่งสมาธิคูบาลังรูปความพระจันทร์และพระอาทิตย์อันมีลิธานุภาพมากอย่างนี้ได้ด้วยฝ่ามือและแสดงอํานาจทางกายเป็นไปได้ตลอดถึงปรมโลกได้ นี่คืออิทธิวิธีของพระพุทธเจ้าอิทธิวิธีมีลักษณะอย่างนี้ซึ่งการจะทำอย่างนี้ได้ต้องผ่านฌานที่สนีะ่สมาธิในระดับที่สี่เป็นจิตที่ควรแก่การงานอันนี้จะคนละเรื่องกับพวกเดรลาชานวิชาทั้งหลายนะซึ่งไม่จำเป็นต้องอาศัยฌานที่สี่เลยก็ได้แต่ถ้าอิทธิวิธีคือทาอย่างนี้ มีความสามารถขนาดนี้อย่างาผู้เจ้าเคยถูกพวกฉดินแกล้งนะในสมัยที่ไปปราบพวกฉดิน <c oughs> ก็แกล้งปล่อยควันมาใส่บ้างเนะช้ามาดูผู้เจ้าก็ไม่ตายเอาใหม่ฉดินก็ทำํำริทําให้น้ําท่วมนะผู้เจ้าก็เดินบนน้ําเดินจงกรมบนน้ำนะี่ นั้นผู้เจ้าก็ใช้อิทธิวิธีเพื่อทนกับการแกล้งของพวกชดินพวกปริพาชคต่างๆนะจากนั้นเขาเห็นว่าเขาทำอะไรไม่ผู้เจ้าไม่ได้เขาก็เลยเข้ามาขอฟังธรรมอย่างนี้นั้นในครั้งพุทธ ก, การก็จะมีคนที่ทำสมาธิทำฤทธิ์ได้กันเยอะแยนะแต่เขาเหล่านั้นก็เดินไปสู่ความตายทั้งหมดเหมือนกันนะยังแก้ปัญหาความตายไม่ได้ ผู้เจ้าก็เลยมาสอนวิธีเข้าถึงมรรคผลนิพพานคือความไม่ตายอมตะธรรมไม่ให้เขาติดอยู่เป็นเพียงแค่ทำฤทธิ์ได้แค่นี้ที <c oughs> น, นี้ผู้เจ้าก็บอกสุสิมะเนี่ยถ้าเธอเห็นอนิจจังทุกขังนัตตาแล้วเห็นสายปฏิจจสุบาลเนี่ยเธอจะบรรลุอิทธิวิธีไหม เธอจะได้ยินเสียงสองชนิดคือเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ทั้งที่ไกลและใกล้ไหมเธอจะกําหนดรู้จิตสัตว์อื่นไหมเธอจะระลึกถึงขันธ์ที่เคยอยู่ในภพก่อนหรือเปล่าคือปุเพนิวาสานุสติญาณเธอจะได้จุตูปปาตาญาณไหมคือเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติเกิดและตายอยู่เธ <c oughs> อจะถูกต้องนามกายด้วยอรูปรวิโมงอันสงบไหมคือพวกอรูปรสัญญาที่เราเคยเรียกอรูปฌานนั่นแหละ คือเรียกที่ถูกต้องต้องเรียกอารู ป, ปรสัญญาสุส i ม a ก็บอกใหม่ความรู้ตรงนี้ไม่ได้ทำให้เกิดอิทธิวิธีต่างๆ ต, งตรงนั้นเลยก็เลยบอกว่าดูก่อนสุสีมะคราวนี้คำพูดอย่างโน้นกับการที่เธอกล่าวว่า <c oughs> ไม่ต้องมีการบรรลุ ถ, ถึงอภิญญาธรรมทั้งหลายเหล่านั้นก็ได้ในกรณีนี้เราจะว่าอย่างไรกัน ลำดับนั้นเองท่านสุสิมะมอบลงแท้พระบาททั้งสองของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล้าแล้วได้กล่าวถ้อยคํานี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโทษได้ท่วมทับข้าพระองค์แล้วตามที่เป็นคนผานตามที่เป็นคนหลงตามที่มีความคิดเป็นอกุศลอย่างไรคือข้อที่ข้าพระองค์บวชแล้วเพื่อขโมยธรรมในธรรมวินัยที่พระองค์ตรัสดีแล้วอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงรับซึ่งโทษโดยความเป็นโทษของข้าพระองค์ เพื่อความสำรวมระหวังต่อไปเถิดพระเจ้าค่านะสุสีมาก็เลยเปลี่ยนใจนะเข้าใจธรรมะแล้วทีแรกหวังจะขโมยธรรมะที่เป็นพวกอิทธิปฏิหารอะไรต่างๆแล้วเอาไปแสดงให้คนอื่นดูเพื่อหาเอกลาปัจจัยนะ <c oughs> ผู้เจ้าจึงให้อภัยกับสุสีมะ <c oughs> ดูก่อนสุสีมะแต่เพราะเธอเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทําคืนตามธรรมเราจึงรับโทษนั้นของเธอผู้ใดเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทําคืนตามธรรมถึงความสํารวมระวังต่อไปนี้เป็นความเจริญในอริยวินัยของผู้นั้นพระนลได้บอกพระพุทธเจ้าว่า น่าสัจจันท์พระเจ้าข้าไม่เคยมีแล้วพระเจ้าข้าข้าพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ปฏิจจสมุปบาทนี้เขาล่ารือกันว่าเป็นธรรมลึกด้วยดูท่าทางราวกับว่าเป็นธรรมลึกด้วยแต่ปรากฏแก่ข้าพระองค์เหมือนกับเป็นธรรมะตื้นๆผู้เจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนอนุน อ, นอย่ากล่าวอย่างนั้นดูก่อนอนุน อ, นอย่ากล่าวอย่างนั้นก็ปฏิจจสมุปบาทนี้ลึกซึ้งด้วยมีลักษณะเป็นธรรมลึกซึ้งด้วย ดูก่อนอ น, อนนนนเพราะไม่รู้เพราะไม่รู้ตามลําดับเพราะไม่แทงตลอดซึ่งธรรมคือปฏิจจสุบาทนี้หมูสัตว์นี้จึงเป็นเหมือนกลุ่มได้ยุ่งยุ่งเหยิงเหมือนความยุ่งของกลุ่มได้ที่หนาแน่นไปด้วยปมพันกันยุ่งเหมือนเสงยหญ้ามุมชะและหญ้าปัพัชะอย่างนี้ย่อมไม่ล่วงพ้นซึ่งสังสาระนะ ที่เป็นอบายทุกติวินิบาตไปได้ดูก่อนอนอนลเมื่อภิกษุเป็นผู้มีปกติเห็นโดยความเป็นอั ส, สาทะนะลดอร่อยเราคงจะคุ้นกับคำว่าอั ส, สาทะนะอยู่พอสมควรแล้วพระอาตมาพูดบ่อยเหมือนกันนะอั ส, สาทะหมายถึงลดอร่อยนะหรือประโยชน์คุณงามความดีของมันในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งอุปทานอยู่นะอุปทานแปลว่าความยึด ในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถืออยู่เนี่ยตัณหาคือความอยากย่อมเจริญอย่างทั่วถึงถ้าเราเห็นแต่อาาัสาถ้าเห็นแต่ลดอร่อยของมันเนี่ยตัณหาจะเจริญงอกงามนะเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานเพราะมีตัณหาเป็นเหตุนี่แหละความยึดจะมีขึ้นมาเพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยเพราะมีอุปทานเป็นเหตุเนี่ยจะมีพบคือมีที่เกิด เพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกกะปริเทวทุกขะโทมานัน้อุปายยาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้นะถ้าเราเห็นด้วยความเป็นอัศรา t <c oughs> เห็นแก้วเนี่ยนะโดยความสวยงามเป็นประโยชน์ของมันนะในธรรมทั้งหลายเป็นที่ตั้ ง, หงแห่งอุปท า, าน ตัวแก้วนี้ก็เป็นธาตุดินดินน้ำไฟลมเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือตัณหาย่อมเจริญตัณหาย่อมเกิดขึ้นเพราะมีตัณหาเป็นเหตุจึงมีอุปทานตัณหาความอยากเป็นตัวพาจิตเข้าไปสร้างความยึดถือในสิ่งสิ่งนี้นั้นถ้าจิตยึดถือในสิ่งสิ่งนี้เนี่ยถ้าแก้วแตกอาตมาทุกไหมทุกเพราะว่าอาตมาจะบอกนี่แก้วฉั น, นมาจะทุกแต่โยมไม่ทุก เพราะว่าโยมไม่มีอุทานในแก้วนี้แต่ถ้าเป็นแก้วของโยมแก้วโยมแตกโยมจะทุกข์อัตมาจะไม่ทุกข์อยู่ที่ใครเข้าไปยึดถือสิ่งนี้นะการยึดถือเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะตัณหาคือความอยากอยากที่จะเข้าไปยึดมันนะเมื่อมีความอยากเข้าไปนะตัณหาความอยากน้อมเข้าไปนะก็จะเกิดการจับการยึดขึ้นมานะถ้าจับยึดแล้วไม่ปล่อยก็เท่ากับว่าแก้วเนี่ยมีในมือ หรืออารมณ์มีในความรู้ของจิตนั้นมันติดกันนิดเดียวนะอยากจับนะแล้วก็เกิดพบคือมีธรรมชาตินี้ขึ้นมาแล้วถ้าโยมรู้ตามต่อไปไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางรู้ต่อไปเรื่อยๆนะก็เรียกว่าจิตมีสัญโยคะจิตผูกติดกับอารมณ์นั้นด้วยนั่นแห่งความเพลินผูกเพราะอะไรเพราะจับอยู่นี่ไม่ยอมวางไม่ยอมปล่อยเห็นห นั้นขณะที่เพลินพระเจ้าจึงบอกว่าความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุปาทานถ้าไม่จับมันต้องหลุดนะถ้ายังจับอยู่เท่ากับอารมณ์มีอยู่ในความรู้ของจิตเท่ากับจิตรับรู้อารมณ์นั้นต่อเนื่องไปเรื่อยๆก็เรียกว่ามีนันทิคือความเพลินนั่นเองและจะจบด้วยชรลาโมระคือทุกข์ทนะ่า น, นี้ไอชะลาโมระเนี่ยมันก็ ได้หลายนัยยะหนึ่งแก้วใบนี้แตกจิตก็หาที่ตั้งอาศัยไม่ได้ก็ชะลามรณะเหมือนกันหรือว่าแก้วไม่แตกแต่จิตดับก่อนจิตก็ดับจากแก้วนี้ไปแก้วนี้แก้วเท่ากับเป็นชะลาโมรณะเหมือนกันคือแก้วเนี่ยหายไปจากความรู้ของจิตแก้วไม่มีในมือมือไปหาตัวใหม่จับไปจับพัดลมแทนอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นการมีไม่มีของธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยอยู่ที่ว่า มันมีหรือไม่มีในความรู้ของจิตหรือเปล่าแค่นั้นเองนี่อีกนัยยะหนึ่งของการดับการดับไปแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นเพราะการดับแห่งวิญญาณถ้าวิญญาณดับเท่ากับสิ่งนั้นดับไปด้วยเพนะราะฉะนั้นเวลาเรารับรู้สิ่งใดขึ้นมาก็ตามจิตอยากละเข้าไปรับรู้อารมณ์นะพเจ้าจึงบอกให้วางให้วไวที่สุด เพราะขนาดนั้นเนี่ยจิตเนี่ยเข้าไปตั้งอาศัยหรือเข้าไปสร้างการเกิดในอารมณ์นั้นแล้วจิตเข้าไปตั้งอาศัยไปสร้างการเกิดการปรากฏขึ้นแห่งวิญญาณณที่ใดนั่นคือการปรากฏขึ้นแห่งชรลาและมรณะเพราะเมื่อวิญญาณปรากฏก็คือวิญญาณเกิดนั่นเองเมื่อวิญญาณเกิดวิญญาณจะต้องดับพระเจ้าจึงบอกวิญญาณเกิดในที่ใดชะลามรณะจะมีอยู่ในที่นั้น เมื่อวิญญาณมีการเกิดสร้างการเกิดสร้างการรับรู้ขึ้นมานั่นเองเพราะวิญญาณเป็นผู้รู้นั่นก็คือเมื่อวิญญาณมีการรับรู้อารมณ์ปั๊บเนี่ยผู้เจ้าจึงให้ละนันทีให้ไวที่สุดรีบปล่อยให้ไวปล่อยไวขนาดไหนผู้เจ้าชมก็คือกระพริบตาเดียวจิตรับรู้ปั๊บกระพริบตาเดียววางรับรู้ปั๊บกระพริบตาเดียววางอย่างนี้ <c oughs> ถือว่าเลิศที่สุดนะชื่อว่าอินทรีย์พนาชั้นเลิศ ก็ยังไม่ถึงกับเลิศที่สุดเพราะว่าจะต้องมีเร็วกว่านี้เพราะนี่คือก็แค่ดับชาติดับการที่จิตผูกกับอารมณ์ได้แต่ยังไม่ได้ดับตัวพบนะยังไม่ได้ดับตัวพบคือตัวสถานที่ที่จิตเข้าไปเกาะเพราะคือคือการรับรู้เนี่ยจิตเกาะแล้วนะเราถึงรู้ว่ามันมีแล้วแล้วเราปล่อยมันมีแล้วแล้วเราปล่อยภายในกับพริบตาเดียว แต่ถ้าเราสามารถมีสติเร็วกว่านั้นจิตกำลังมีความอยากเอื้อมไปหาลมแล้วเราดับได้ก่อนเห็นตั้งแต่จิตเนี่ยขยับออกจากกายไปจะดับจากกายไปจะไปหาลมเนี่ยถ้าใครเร็วได้ขนาดนี้ก็พบไม่เกิดแต่ไม่ใช่ง่ายเพราะส่วนใหญ่จะจับรับรู้แล้วไม่พอก็ไหลาตามไปอีกเรื่อย ห น, นาทีสิบนาทีครึ่งชั่วโมงกว่าจะวางกว่าจะทิ้งรู้ตัวทีโอ้โหคิดไปยาวแล้ว น, นั่งสมาธิก็นั่งคิดยาวไปเลยอืม <c oughs> นะผู้เจ้าจึงไล่สายปฏิจจสุบทตรงนี้เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยเนี่ยมีความอยากเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานจับยึดเพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีพบพบนี่ไงตัวนี้คือพบของจิตอารมณ์คือพบของจิตคือที่ที่จิตเข้าไปตั้งอาศัยเพื่อสร้างการเกิดให้มีขึ้นผู้เจ้าจะอุปมาพเหมือนอีกอย่างคือพบเนี่ยเหมือนผืนนาวิญญาณที่เข้าไปเนี่ยเหมือนเมล็ดพืชเมื่อตกลงไปในผืนนาแล้ว ตัวผืนนาคือพบคือสถานที่ตั้งอาศัยของเมล็ดพืชเพื่อสร้างการเกิดการงอกขึ้นมาเห็นไหมตัวงอกขึ้นมาเนี่ยผู้เจ้าบอกมันงอกเพราะอะไรเพราะน้ําน้ํารดเมล็ดพืชไปเมล็ดพืชจึงงอกขึ้นมาน้ําเปรียบเหมือนอะไรนันธิราคะความเพลินและพอใจนั่นก็คือเมื่อรับรู้อารมณ์ปุ๊บแล้วจิตเพลินพอใจก็เรียกว่าวิญญาณเจริญ ง, งอกงามไพ่บูนไปกับอารมณ์นั้นไปเรื่อยๆถ้าเปรียบเหมือนเมล็ดพืชก็คือ พืชโตขึ้นมาแล้ววิญญาณเจริญงอกงามอารมณ์นั้นก็ติดตามต่อเนื่องไปเรื่อยๆเติบโตขึ้นและจบด้วยชราและมรณะ น, นี่คือวงจรของจิตวงจรของปฏิจจสุบานนั่นเองลำดับของการเกิดขึ้นแห่งธรรมชาติทั้งหลายตัณหาปั๊บจะมีอุปทานอุปทานปุ๊บจับปุ๊บก็จะมีพบมีแก้วในมือทันทีเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติคือการเกิด เมื่อไม่ปล่อยก็จะมีการผูกกับอารมณ์ไปเรื่อยๆจับอารมณ์นี้นานไปเรื่อยๆ เ, เพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรนะโสกับริเทวะต้องมีแน่นอนเพราะเมื่อมีการจับไม่ปล่อยผูกไปเรื่อยๆนานเข้านานเข้าวันสองวันเดือนสองเดือนปีสองปีในที่สุดไม่จิตก็มรณะไม่ก็แก้วก็มรณะนะยังไงแก้วก็ต้องแตกหรืออย่างไรก็ตามจิตก็ต้องดับ จากแก้วถ้าแก้วไม่แตกก่อนจิตก็ดับก่อนถ้าจิตยังไม่ดับแก้วก็แตกก่อนอย่างใดอย่างหนึ่งต้องแตกสลายแน่นอนชะลาโมณาจึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งใดเกิดแล้วไม่ตายไม่มีเนี่ยวงจรของจิตถ้าแก้วแตกจิตก็ไปจับอันใหม่ไปจับอันใหม่เพลินไม้เพลินเพลินไปแล้วก็จบด้วยอันนี้จิตดับก่อนจิตมาจับอันใหม่เพลินไม้เพลินเพลินไปจบจิตดับ ไปเกาะตัวหมายอีกเคลนไปอีกอย่างนี้นี่คือสังสารวัตรวัตตในจิตตัววัตตาในจิตมันจะสร้างอัตภาพใหม่ถ้าเราตายไปแต่ถ้าเราไม่ตายมันก็เป็นความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไปเรื่อยๆแต่ถ้าร่างกายตายปับ๊บจิตกาอารมณ์นี้ปับ๊บนี่แหละอัตภาพจะได้ไปตามอารมณ์นี้ทันทีซึ่งพระเจ้าจึงบอกว่า เป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอาบุญก็ดีเพราะฉะนั้นจิตไปจับอารมณ์อารมณ์ตรงนี้เป็นอะไรกุศลหรืออกุศลล่ะเราก็จะได้อัตภาพตรงนี้เลยนี่หลักการแค่นี้เอง mm hmm. เพราะฉะนั้นเมื่อความคิดอกุศลเกิดขึ้นนั่นคือจิตไปกาะอกุศลพระเจ้าจึงบอกว่าให้ทิ้งให้ไวที่สุดเปรียบเหมือนเสื้อผ้าที่ไม่ลุกโพรงตัวเธออยู่เนี่ยเธอจะต้องทําอย่างไร ใช้ความเพียรความพยายามทุกอย่างเพื่อจะดับไฟที่ไหม้เสื้อผ้า น, นั้นให้ได้ให้เร็วที่สุดฉันใดก็ฉันนั้นความคิดอกุศลเกิดขึ้ น, นไม่ใช่ตามันไปเรื่อยๆนะเธอต้องทิ้งให้ไวที่สุดเหมือนเสื้อผ้าที่กําลังไหม้ลุกโครงอยู่บุรุษนั้นต้องรีบดับให้ไวที่สุดนี่พระตถาคตสั่งอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าร่างกายเราจะตายวินาทีไหนแต่จิตไปเกาะอารมณ์ที่เป็นอกุศลแล้วนี่ พบอันเป็นทุกขติแล้ว น, นั่นี่ร่างกายตายวินาทีนั้นปั๊บนี่เราไปเกิดตรงนี้ก่อนได้แต่ภาพใหม่ตามนี้มีความเสี่ยงสูงมากแล้วใครคิดว่าก่อนตายเราคุมได้ลหละว่าจิตเราจะไม่เกาะอกุศลถ้าไม่ฝึกมาใช่ไหมนี่เข <laughs> ้าใจไหมหลักการจับหลักการไว้ดีๆนะ <c oughs> สอดคล้องกันไหมกับสายปฏิจจะทีนี้เราจะเข้าใจสายปฏิจจะที่ผู้เจ้าบอกกับอา น, นุนใช่ไหมเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานเนี่ยมีตัณหาเอื้อมไปอยากเนี่ยไปเนี่ยอุปทานอุปทานมีพบเนี่ยมีแก้วขึ้นมาพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติการเกิดเกิดขึ้นแล้วนะเพราะว่ามีการติดตามต่อเนื่องพอมีชาติเป็นเหตุปุ๊บที่สุดการปล่อยต้องมีนะชรามนะโศกับปริเทวะต้องมี ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีได้ด้วยการอย่างนี้กะบอกดูก่อนอนนเปลือกเหมือนต้นไม้ใหญ่มีรากดิ่งลงไปเบื้องล่างด้วยมีรากแผ่ไปรอบๆด้วยรากทั้งหลายเหล่านั้นล้วนแต่ดูดสิ่งโอชะขึ้นไปเบื้องบนดูก่อนอานน์เมื่อเป็นอย่างนี้ต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีอาหารอย่างนั้นมีเครื่องหล่อเลี้ยงอย่างนั้นพึงตั้งอยู่ได้ตลอดการยาวนานข้อนี้ฉันใดดูก่อนอานนท์เมื่อภิกษุ เป็นผู้มีปกติเห็นโดยความเป็นอสาทะถ้าเราเห็นโดยความเป็นรสอร่อยอยู่เรื่อยๆในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งอุปทานอยู่ตัณหาย่อมเจริญอย่างทั่วถึงชันนั้นเหมือนกันเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานเพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพท่านก็ไล่สายปฏิจจะจนทั้งฉลามรณะและในยัตตองกันข้ามพระองค์จึงบอกว่าดูก่อนอนนนท์เมื่อภิกษุเป็นผู้มีปกติเห็นโดยความเป็นอาทีนวะเห็นโดยความเป็นโทษ ในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งอุปทานอยู่ในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดเนี่ยจิตเข้าไปยึดอะไรเข้าไปยึดอะไรแล้วเราเห็นโทษมันเห็นโทษมั น, เ ห, น, มนเห็นโทษมันตลอดนะตัณหาย่อมดับความอยากย่อมดับจิตตัณหาเคลื่อนไปเข้าไปจับปุ๊บอ้าวแก้วแตกไม่เอาเข้าไปจับปุ๊บอ้ากระโถนบินไม่เอานั่นคือเราเห็นโทษของมัน เหนโทษของสิ่งที่ตัณหาเนี่ยเอื้อมเข้าไปจับอารมณ์ที่เข้าไปจับโทษของอารมณ์ต่างๆคืออะไรมันดับไปได้มันเสื่อมได้เพราะฉะนั้นถ้าจิตเข้าไปเกาะรูปเข้าไปเกาะรูปกายโทษของรูปคืออะไรผมหงอกฟันหลุดหนังเยียวนะหูตาฟ้าฟางนะแกะ่เท่าตายนี่คือโทษของมันเพราะฉะนั้ น, บ, นบุคคลใดเห็นโทษมันเรื่อยๆจิตก็เข้าไม่ไป ไม่อยากเข้าไปจับอารมณ์นั้นความอยากจะกค่อยๆหมดไปหมดไปท่นี้นำมาทําอีก4อย่างคืออะไรเช่นเวทนาคือสุขทุกข์อุเบกขาสัญญาความจามําสังขารความคิดปรุงแต่งถ้าเราเห็นความดับของมันเรื่อย ๆ, ๆจิตเข้าไปเกาะรับรู้ปุ๊บแล้วก็เห็นมันดับเห็นมันดับเห็นมันดับนั่นคือเรากําลังเห็นอาทีนวะคือโทษในที่สุดจิตจะไม่อยากเข้าไปเกาะนี่หลักการมันแค่นี้ ตัณหาจะดับเมื่อตัณหาดับอุปทานก็ดับต่อไปพอจิตจะเข้าไปก่อความโกรธโอ้เดี๋ยวโกรธก็ดับจิตจะเข้าไปก่อความสุขโอ้สุขเกิดแล้วก็ดับจิตจะเข้าไปก่อสัญญาสังขารโอ้เดี๋ยวมันก็ดับไม่มีอะไรทีนี้โยมจะคิดอะไรโยมก็ไม่ค่อยอยากส่งออกแล้วไม่ค่อยอยากคิดแล้วพอคิดไปคิดมาไอสิ่งที่คิดบางทีคิดไปครึ่งวันเหตุการณ์ก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นฟุ้งซ่านไปเปล่าๆ ทีนี้จะคิดอะไรก็เลยรอบคอบขึ้นไข้ควรมากขึ้นว่ามันจำเป็นหรือเปล่านะจำเป็นไม้ที่จะต้องคิดเวลานี้หรือพิจารณาเวลานี้น ะ, นะเมื่อคิดไปแล้วก็ไม่ยึดมั่นในความคิดอีกเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้หมดเลยไม่มีอะไรแน่นอน นี่ผู้เจ้าก็จะอุปมาอย่างนี้นะท่านก็บอกเปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่มีอยู่ลําดับนั้นบุรุษพึงถือเอาจอบและแตะกร้ามาแล้วบุรุษนั้นพึงตัดต้นไม้นั้นที่โคนขั้นตัดที่โคนแล้วพึงขุดเสาะขั้นขุดเสาะแล้วพึงรื้อขึ้นซึ่งลากทั้งหลายแม้ที่สุดเพียงเท่า ก, าก้านแฝกบุรุษนั้นตัดต้นไม้นั้นเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ขั้นตัดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่แล้วพึงผ่า คั้นผผาแล้วพึงทำให้เป็นซิกซิกคลั้นทาให้เป็นซิกซิกแล้วพึงพึงให้แห้งในลมและแดดคั้นพึงให้แห้งในลมและแดดแล้วย่อมเผาด้วยไฟครั้นเผาด้วยไฟแล้วพึงกระทำให้เป็นขี้เท่าคลั้นกระทำให้เป็นขี้เท่าแล้วเป็นขี้เท่าก็น่าจะหมดแล้วนะย่อมโปรยไปตามลมอันพัดจัดหรือว่าให้ลอยไปในกระแสน้าอันเชี่ยวไม่เหลือเลย แหมคิดนะเท่าก็แทบจะไม่เหลือแล้วเนาะ mm hmm. ลักษณะการทําอย่างเงี้ยทาให้เป็นซิี่ ก, กทําให้เป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่เนี่ยนะเอาไปเผาเนี่ยคืออะไรคือการหมั่นเห็นโทษของมันนั่นเองนะสลายสลายไปนะเห็นโทษของมันพินาศกายไปแยกธาตุขันนะอันนั้นก็ได้หรือเห็นการดับของมันเห็นการดับเห็นการดับเรื่อยๆ ดูก่อนอนนล์ด้วยการกระทำอย่างนี้แลต้นไม้ใหญ่นั้นก็จะพึงเป็นต้นไม้ที่มีรากอันขาดแล้วเหมือนต้นตาลที่ถูกทำลายแล้วที่ขั้วแห่งยอดถึงแล้วซึ่งความไม่มีไม่เป็นมีความไม่งอกงามอีกต่อไปเป็นธรรมดาข้อนี้ฉันใดนะเมื่อพิสูจเป็นผู้มีปกติเห็นโดยความเป็นอาทีนวะในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งอุปทานอยู่ตันหาย่อมดับ แล้วก็ไล่มาจนกทั่งชาติชลามเมานะดับน ะ, ะนี่อีกพระสูตรหนึ่ง